หลวงพ่อผู้พูดก็รู้สึกพออกพอใจได้บอกได้สอนผู้ฟังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรเรนต้องเป็นอย่างนี้แหละในการศึกษาปฏิบัติธรรมอาศัยการได้ยินได้ฟังผู้พูดก็ต้องพูดเรื่องงานเรื่องการที่มันเป็นงานเป็นการที่เราได้ทำ เพื่อเพื่อที่จะให้มันเป็นสิ่งข้อมูลให้ข้อมูลกันนอเสยจากนี้หลวงพ่อปฏิบัติทำมาก็ ก, ก็ใช้รูปแบบอย่างนี้แหละตอนเช้าตอนเย็นหลวงปูดเทียนก็แสดงทำให้ฟังเราก็ฟังฟังแล้วเราก็อเอาไปทำ เวลาที่เราได้ยินเวลาเราได้ทำมันเป็นเหมือนที่เราได้ยินมาเราก็บางอย่างก็เอามาแก้ไขบางอย่างก็สร้างสรรค์อาใช้การได้ยินเอามาทำาอาใช้การกระทำไปได้ยินเราก็ต่อให้มันเรื่องดีเป็นไปอย่างนั้นเรว่าการปฏิบัติใครจะ เก็บอารมณ์หรือใครจะไม่เก็บอารมณ์แต่ว่าต้องช่วยตัวเองให้เก่งๆผู้ที่ไว้มาฟังต้องอาศัยการกระทำให้มันได้เห็นให้มันได้พบเห็นอันที่ผิดที่ถูกเขาก็จะได้แก้โดยอาศัยลำแข้งของตัวเองของปเทียมก็พูดเสมอว่าผมเนี่ย พูดให้ฟังส <Myth. S 1> ิ่งที่มันถูกสิ่งที่มันผิดแต่ท่านก็ต้องไปแก้เองท่านมีทุกข์ท่านก็ต้องแก้ความทุกข์ท่านมีสุขท่านก็ต้องไปเห็นความสุข๋ยวเข้าไปอยู่ในความสุขความทุกข์ท่านทุกข์ผมก็ไม่ได้ทุกข์ด้วยกับท่านท่านสุขผมก็ได้ไปสุขด้วยกับท่านท่านผิดผมก็ไม่ได้ไปผิดไปกับท่าน ท่านเป็นคนดีผมก็ไม่ได้ดีกับท่านท่านเป็นคนชั่วผมก็ไม่ได้ชั่วกับท่านแต่ต้องทำเอาเองก็ต้องปฏิบัติตัวเองใครจะไม่ทุกข์ผมก็เทียนก็ไม่ได้ทุกข์ด้วยใครจะไม่สุขหลวงพ่เทียนก็ไม่ได้สุขด้วยใครจะเป็นคนดีหลวงพ่เทียนก็ไม่ได้ไปดีเลยดีของคนนั้นชั่วของคนนั้นนี่ตัวปฏิบัติ มันเป็นการกระทำของเราจริงๆไม่ต้องไปอ้อนวอนไม่ต้องไปขอร้องไม่ต้องไปซึ้งใครเลยซึ่งการกระทำเราจริงๆแล้วพึ่งการกระทำแม่เราได้ยินได้ฟังมาก็เอามาทำเอามาทำเพื่อให้มันเกิดกับตัวเราเอง ถ้าเป็นการสร้างถ้าเป็นการอเห็นเราเราก็เห็นเราเองก็ต้องช่วยตัว เ, เองเป็นการสร้างสร้างทรัพย์ภายในสร้างทรัพย์ภายนอกมันเหมือนกันแต่ว่าทรัพย์ภายนอกบางทีก็แบ่งกันกันได้พ่อแม่หาไว้มอบ ให้ลกให้หลานไม่มีโอกาสทําได้แต่ว่ากลัวที่จะพ่อแม่หามาได้ไว่ขอพ่อแม่ก็ต้องขยันหมั่นเพียรต้องสร้างต้องทำแล้วก็ได้คนที่ไม่ขยันไม่สร้างมันก็ไม่มีทับไภายนอกทัพไ์ภายในนี่ก็เหมือนกันถ้าไม่สร้างมันก็ไม่มีแต่ว่ามันก็มอบให้ใครไม่ได้ แล้วกาก็พึ่งได้ทับภายในในความโูดสึกตัวมันพึ่งได้มันไม่จนทับภายในมันทําลายไม่ให้มีความทุกข์ไม่ให้มีความโลภความโกรธความหลงอไม่ให้มีความหลงมันคุ้มคลองไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ต้องกลัวอะไรไม่ทัพภายในไม่ความโูดสึกตัวไม่ต้องไปกลัวผี <c oughs> กลัวอะไรที่เป็นของลึกๆ ล, ลับๆกลัวคนศาสตร์คนใช้คนจะทําให้เราอย่างนั้นอย่างนี้ขานได้เลยพวกเราผู้ที่ทํากรรมฐานแม่แต่ผีเราไม่ต้องกลัวคนศาสตร์คนใช้ก็ไม่ต้องกลัวอ่าเพราะว่าเราเราลูกของเราเราเห็น เราลู่เจือตัวอยู่เราไม่ทําความชั่วเราทําความดีไปเห็นสิ่งที่มันจริงเห็นเห่นเห็นรูปเห็นนามว่าเป็นรูปทำนามทำมันเป็นรูปทำนามทำมันต้องทําเอาเองทําดีก็ทําเองทําชั่วก็ทําเองอยิ่งไปเห็นสมมุตมิบัญยัติอสิ่งที่เป็นสมมุตินี่ ก็ยิ่งเห็นชัดเรื่องเรื่องสยสศาสตร์เลือกอ่าทิปฏิหารที่จะเกิดจากคนจากอะไรต่างๆนั้นไม่มีหรอกนะแต่เราเห็นสมมติตืดไปเลยคาถาอาคมคุณศาสตร์คนไซ ท, ที่เขาจะทำให้โอ้มันเป็นสมมุติมันไม่จริงมันไม่ใช่เป็นประมัด ปลอมัตคือจิ่งที่เราทําดีอยู่นี่เราละความชั่วอยู่นี่อันนี้มันจริงเป็นอริยทรัพย์ใช่ได้ใช่เพื่อประโยชน์เพื่อกลูเพื่อทําความดีเพื่อละความชั่วเพื่อทําจิตให้บริสุทธิ์แล้วก็จุดยอดเท่านี้นะถ้าเราศึกษาไปเรื่ไปทําไป แมแต่การทําบุญเราก็ทําบุญจริงๆสัมผัสกับบุญเพื่อทําให้จิตใจเราดีเรารู้เราโล้โล้บโร้น้ำโล้บผิดโู้ถูกเราเห็นเห็นมันรู้เห็นมันหลงเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์เราก็เปลี่ยนมันได้มันหลงเปลี่ยนมันเป็นรู้มันทุกข์เปลี่ยนเป็นไม่ทุกข์นะเราไม่ฝีมือนะ เมื่อเรามีสีมืออย่างนี้มันก็พอตัวอะไรที่มันเกิดขึ้นมันทำได้อาจจะบุญหรือรู้ใจมันดีนะมันก็ต่างกับบาปบาปก็คือไม่รู้ใจมันเาวร้อนเป็นทุกข์นั่นคือบาปสวรรค์หรือสวรรค์ก็คือใจดีอารมณ์ดี ไม่เกิดปัญหาทางตาทางหูจมูกลื่นกายใจลูกลดกลิ่นเสียงในทางที่ดีเกิดก็เกิดในทางที่ดีเสียงร่ายก็เป็นเสียงดีไม่เกิดจากคนอื่นเกิดจากตัวเราใชา่ตาใชา่หูใช่จมูกใช่ลื่นใช่กายใช่จิตใจเมือ่อมีลูกไปรถไปกลิ่นมีเสียงทําอะไรให้เราไม่ได้มาายเป็นดีหมด แรียว่าสวรรค์มาได้เป็นทุกข์เป็นโทษพระตาพหูพระลูกพรถะนเสียงมาได้เป็นทุกข์เป็นหลงเพราะสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นนนพานก็เยน็นสิ่งที่ร่อนทำให้เยน็นสิ่งที่มันเยน็นก็ทำให้มันเย็นไปเรื่อยๆไม่มีพิษไม่ภีภัยเอาไว้ใช่เพื่อเยน็นเอาไว้ใช่เพื่อ ไม่มีพิษไม่ภัยมันจืดเพราะว่าทุกมันก็จืดแล้วเพราะว่าสุขมันก็จืดแล้วมันไม่มีลดเพราะว่าโกรธมันก็จืดแล้วโลภหลงวิตกกังวลมันจืดแล้วแต่ก่อนมันมีลดที่เรานี่นนะซัดเราที่ได้นะอ่าหน้าเฉยอะไรแบบนี้มันไม่น่าเฉยมันจืดแล้วมันไม่มีค่าความโลภความโกรธความหลงความรักความชัง ความวิตกกังวลเศร้าหมองอมันมันจืดมันเย็นมันไม่มีพิษความโกรธไม่มีพิษความโลภความหลงความรักความชังไม่ได่ดีใจเสียใจเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เอาใจเพื่อไปรองรับสิ่งเหล่านั้นแล้วนะมีจิตมีใจมันก็พึ่งได้อใจมันก็พึ่งได้ใจสําหรับไปหยุดไว้เย็นแต่ก่อนใจมันไปทุกข์ทนไปยินดีไปยินไล่ไปรักไปชังไป อะไรไปทำนองแบบนี้มันจืดจ่าสิโลนั่นแล้วมันมาทางนี้ะ ม, มาทางความหยุดมาทางความเย็นนะมาทางการปล่อยการว่างนะถ้าเป็นนิพพานนะมันไม่เกิดแบบนั่นอีกมันได้ที่แบบนี้อ่ามันก็เลยนิพพานซะนิพพานทางจิตใจไม่ปูไม่แบฝดนิพพานแบบ เข้าถึงเนื้อถึงตัวถ้าเป็นเนปพานนะเออยังไม่ตายก็มีบ้างก็ได้สวรรค์ก็มีโลกก็ปิดตาเด็ดขาดก็ว่าได้ครับไม่มีทางที่ตกตนโลกเป็นเศษเป็นสโรกายเป็นสติรจชานแล้วไม่มีโอกาสที่จะตายเพราะสิะ่งเหล่านั้นมั่นใจถ้า ต, ตายก็ตายอย่างอื่นแต่เป็นทุกข์ก่อ ไม่เป็นทุกเรื่องนั้นเป็นทุกข์ก็เป็นสภาวะทุกข์ล้วนๆแต่เองมีขันห้าก็ขันห้าก็เป็นขันห้ า, หาล้วนๆอ่าไม่ใช่มีอุปาทานเข้าไปเกี่ยวข้องกับขันห้าชีวิตเราไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องเป็นชีวิตลรร้วนๆแต่ก่อนโอ้ความรักก็มาใช่ความชังก็มาใช่ความยินดียินร้ายก็มาใช่ความไปตกกังวลก็มาใช่ ควาร้อนความาโกรธความขัดขึนอัดขัดเครื่องความเครียดความโอ้ยมันมาใช้รับใช้หังที็มันไม่ต้องไปใช้แล้วปลดปล่อยออกมาได้แล้วเป็นอิสระใ ช, แรรช่แต่ธรรมชาติเนแต่ธรรมชาติปอกแปก๊กปลกแปก๊กธรรมชาติอยู่แต่สอนมันไม่ปลอกแปก๊กธรรมดามันมันตุ่นต่ำอะไรที่มันเกิดขึ้น มันต้มตามมันงอนแง่คอนแคลนมันหบ่นมันไวอ่าอ่ามันไม่มีอะไรสงบลงแล้วสงบจากข้าเสร็จก็ต้องมีอย่างนี้ว่าการปฏิบัติธรรมก็เห็นเป็นกอบเป็นกรรมไปคนเจริญสติมันรู้มันก็ต้องมีความรู้ความรู้ก็ใช่เป็นความรู้ความรู้ก็เจริญในความรู้ ผมล้ก็เสือเส่อมไปเสื่อมไปมันก็เป็นตรงกันข้ามไปเรื่อยๆปฏิบัติธรรม่เราจึงมาสร้างกันเหมือนหลวงพ่อโคดวันก่อนเราได้งานได้การเราได้งานได้การที่มันเป็นหลักเป็นแหลงเราได้เครื่องมือแต่เป็นเครื่องมือลื่อถอดอที่มันปักลงไปถอนง่ายๆ เมื่อเราไม่ซึ้งมือถอนตะปูไม่ค่อนไม่งอนไม่ง่ามไม่สอดถอนตะปูกัดมาเดียวจะไปดึงวัวดึงไม่ออกไม่ศีลมีสมาธิไมีปัญญามีสติมีศรัทธามีความเพียรอะไรที่มันไม่ถูกเพียรที่จะให้มันถูกอะไรที่มันอ่าเป็นทุกข์เพียรจะไม่ทุกข์ มันเป็นอย่างนั้นความเพียรแล้วมันหลงตรงไหนใจใจมันไม่หลงความเพียรอย่างนั้นไม่ต้องไม่ต้องมีการบ้านมันทําหน้าที่นะมันแล้วมันแล้วมันเสร็จไปเสร็จไปปกติปกติปกติปกติคือมันเสร็จถ้าไม่ปกติแสดงว่าไม่เสร็จงานไม่เสร็จงานค้าง ตัวปฏิบัติทํามันเป็นไปตำนองนี่แหละพอมันเห็นไปเป็นตัวเป็นต้นทําด้วยมือเห็นด้วยตาแต่ว่าตาในนะไม่ใช่ได้ยินทางหูนี่ถ้าได้ยินก็ได้ยินจะเป็นเสียงก็เสียงสงบไม่ใช่เสียงสรรเสริญ เ, เสียงเนรธาเสียงสะกบมันดังกว่าเสียงสรรเสริญ เ, เสียงเนรธา อถ้าเป็นเสียงนะไม่ใช่เสียงพูดเสียงคนเสียงนิมิตรอันมันไม่มีแล้วแต่บางนก็มีนะบางคนเกิดนิมิตขึ้นมาอ่ในมิตรขึ้นมาในมิตทางตานนมิตทางหูในมิตรทางจมูกนิมิตทางลิ้นนิมิตรทางกายนิมิตทางใจไม่ได้เหมือนกันบางคนปฏิบัติไปแต่ถ้าไม่อยากให้มันมีก็อยากไปเพ่งอย่าไปอย่าไป รีดจะไปอยากได้อยากเห็นอยากรู้จะเอาให้ได้จะเอาให้เห็นมันก็เห็นจริงๆแต่มันเห็นมันเห็นคนละทางถ้าไปมีความอยากรู้อยากเห็นถามจริงๆแบบนั้นก็ทะเลถลายได้เหมือนกันนะหลงทิศหลงทางเหมือนกันทาอะไรที่มันมีอะไรบังคับไม่ใช่ศรัทธาไม่ใช่ความเพียรเป็นความอยากเป็นการจริงจัง ค่ำเครียดเตินไปก็ไม่ค่อยดีนะทาสบายๆเหมือนนักเรียนเรียนดีนักเรียนเรียนเก่งมักจะมีหน้าตายิ่มแยมแจ่มใสอารมณ์ดีพูดยามยิ้มแยมแจ่มใสคำพูดก็ไม่แสดงถึงความยากท่าทางก็ไม่แสดงถึงความยุ่งยาก เวลาเขาเข้สอบเราทําเล่นเล่นตด้วางหน้าวางตาไม่ใช่เพ่งสายตาพวกเขาเนี่ยสบายสบายปกติเขาเดินนักเรียนทั้งหลายเดินออกห้องเขายังนั่งเขียนแล้วยังนั่งเล่นอ่านอีกเขียนเล่นไปหมดเวลาตีละครัเพลง ก็เดินรอบดูรอบ พ, อพ่อสอบข้อเขียนของเขาอ่านแล้ววางบนโต๊ะอ่านั่งคํานวณไปกมาอ่านแล้ววางบนโต๊ะพอหมดเวลาเดินออกห้องเรียนไม่ต้องรีบไปไหนอมีนักเรียนไม่ถึงยี่สิบคนแล้วก็ไปดูเขาสอบอยู่ที่โคราดมีหล้านชายในลูกในสุดเนี่ยเขาไปสอบไปดู เขาเดินออกห้องเรียนพวกหนึ่งกลับบ้านเย็นไปแล้วแต่พวกพวกเก่งๆไงใช้เวลาจนหมดเวลาเดินออกห้องเรียนสง่าดาเพือ ย, ยิ้มแย้มแจมใจกานปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันจะไปปูดเบื่อตึงเครียดทำอะไรลงไปเนี่ยบังคับขับใสลรีบบางทีมันก็ไม่ไหวโดยเฉพาะให้โอกาส ความเคยกินนิสัยของเรานะบางทีก็ให้โอกาสถ้าไปบังคับก็อาจจะง่วงนะถ้าทำสบายๆอาจจะไม่ค่อยง่วงหรอกถ้าทำสบายๆอาจจะคิดไม้มากถ้าทำสบายๆอาจจะไม่ค่อยเป็นภาระถ้าทำยากๆ ก, ก็เป็นภาระมันเราจบวัวจบควายคนที่ขีดยะแล้วพ่อเคยเคยสอนกนแล้วพ่อเคยเป็นนักเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย เกี่ยวกับสัตว์มักจะจับได้คนอื่นจับไม่ได้เราจับมันได้พวกหัวผกหอยเราขิดยาให้หัวให้หัวพวกมันอย่าไปมัดมันเวลาสนเขาสนต่ไคายมันก็จะไปมัดมันทำเล่นเล่นมันก็มันก็ชอบสบายเหมือนกันนะแต่ไปมัดมันมันก็ดิ้นแหละมันก็ยากมันจะแสดงต่อสู้ไม่ต้องหรอก เขาเขาควายนะ่ะค่อยๆลูบลูบคำคำขีคอเล่นไปจับคางลูบจมูกออทีเรานิ้วสอดเข้าไปรู้จมูกเล่นๆเอาไปมาง่ายเลยเวลาเราขี้เจี๊ยกแนตะ่มันดีอยจมูกมให้เราเลยเราก็ค่อยลูบสอดเข้าไปได้ค่อยๆบางคนไปทิ้งไปแทงมันดังจนมันมันก็เจ็บเหมือนกันถ้าค่อยๆมันไว้เจ็บเมือนคนบ่งหนามบางคนก็บ่งน้ําใไม่อยเจ็บนะ ค่อยๆมันวลาขีดยามันก็ค่อยลูกมันเข็มทิ่มก็ปั๊บมันก็เฉยจะไปมัดแล้วเดินสะพัดจะไปแล้วปฏิบัติกับตัวเองก็เหมือนกันบางทีก็ลูกคำเล่นไปใหม่เซนไลไปเรื่อยๆยกมือสร้างจังว่าเออใหม่เซนไลทำอย่างนี้แหละมันลูกอยู่นี่ สบายไปหลงบ้างก็ไม่เป็นไรทำไม่รู้ไม่ก็ทำไปทำหลงเนี่ยทำเล่นๆตายใจดีๆหลายอย่างที่มันปรับไปทิฏยาอาการท่าทา ง, งจิตใจนะยกมือสั่งจังว่าก็ทำแบบอ่ อ, อนโยนยิ้มแย้มแจ่มใสฮะบางคนก็ทำาพิ่เาเอาเราคึก กักึกกหน้าตาก็เคร่งเครียดออกไปา<อ>ามาก็วุ่นก็เครียดพอตกส ง, งกบต้องทำเรื่องคิดก็ไม่คิดมากนะ <c oughs> คือมันดิ้นอะ่ะถ้าเราจับไม่เจ็นก็ดิ้นมันกันโดยเพราะชีวิตจิตใจของเรามันเคยกินเคยไหลไปทางไหนอ่าพอเราจะหวนหักเป็นด้ามผ้าด้วยเขา่ามันก็ลงยากต้อค่อยนวดค่อยอะไรมันไปอ่า ปล่อยนวดทีสองทีถวดทีสองที่ทท็ไปไม้มันก็อ่อนเราจะดัดไม้มาทำอของที่มันกลมๆ ม, มาทาวงมาทำขอบสวิงมาทำขอบกระดงตัดไม้ไผ่มาทำขอเรตองไม่ใช่จะไปหากด้วเขาทันทีนวดที่นั่นนวดที่นี่บางทีเราต้องนวดตั้งแต่มันอยู่ในต้นเช่นเราจะเอาไม้มาทำก กระติบข้าวเป็นฟ้าเป็นตีนเป็นอะไรมันนะอ่ะบางทีเราจับต้นมันนวดลงเถอก่อนมันเป็นต้นอยยืนอยู่เราก็ค่อยนวดลงนวดที่แรกก็นวดได้ไ น, น้อยนวดที่สองก็ไปอีกไกลนวดที่สามก็เวียงไปไกลนวดที่สี่ก็เวียงไปเวียงไ ป, เ ว, งไปเวียงไปจนโคบไปไม่ใช่ไปหักพื้นพับเลยมันก็หักแล้วจี่ต้นจีต้นก็หักท่านวดไปเรียนการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน การโลกสอดเข้าไปความโลกสอดเข้าไปความโูดสอดเข้าไปจากน้อ ย, อยแต่มันมันมันชัดเจนนะบางคนกอกปุ๊บท้อไปมันแปรงเกินไป <c oughs> มันรับไม่ได้ชีวิตเรามันก็ต้องยอมรับบางอย่างที่เราให้ข้อมูลแก่เราให้ข้อมูลแก่เราบางอย่างมันก็ต้องค่อยๆรับไปนะ อยาไปทำอะไรตั้งตั้งตั้งตังตั้งตังอยากลูอยากเข็นเข้าไปไม่หลับไม่นอนไม่อยู่ไม่กินก็ไม่ได้แต่มันก็มีความพอดีอยู่นั่นแหละตัวใครตัวมันบางคนไม่ดื้อไม่ดึงอะไรคนดีอยู่แล้วง่ายอยู่แล้วเรียบง่ายอยู่แล้วไม่ได้ไปฆ่าใครไม่ได้ไปทำบาปทำกรรมอะไรมาทำกับตัวงเหมือนก็บว่าเป็นนักโทษกัดชากลากตึงมันก็ไม่ได้นะ มันก็ศูนย์เปล่าการทําหนักๆ ก, ก็ศูนเปล่าไม่มีประโยชน์อ่าจะไปดึงกันทำไมมันเราเหมือนวัวเหมือนควายเขาเชื่องอยู่แล้วจะไปทกไปทื่นเขาทําไมนะก็เขาก็าไปดงไปทกไปทื่นก็กลายเป็นยากกลายเป็นอพยศไปเลย <c oughs> นะการปฏิบัติธรรมกัน ก, กันก็รู้จากตัวเองนะ มันเป็นยังไงค่อยนันกตะล้อสอนลูกบางคนนั่นแหละค่อยสอนค่อยบอกไม่ใช่ไปดกไปด่าตะคอกตะขยอขยันอะไรไม่ก็ไม่ได้หรอกบางทีมันไม่ชอบปลายสังกันชีวิตเรานะ่ะชอบอ่อนโยนศุขขมโดยเพราะความรู้สึกตัวน่ะ ถ้าเราทำถูกมันสุ ข, ขมุมนะสุ ข, ขุมอ่อนโยนยิ้มเย้มยืดยุ่นยินยอมอยู่ในตัวเสร็จไม่รู้สักตัวมันก็ดีไปเองนะไม่ดีแบบไม่รู้สักตัวเหมือนกันมันไปทางไหนแล้วไม่รู้สักตัวพอมามองขึ้นลังโอ้โหมันมาไกลแล้วมันเราขึ้นเขาเราก็ก้าวทีละก้าวก้าทีละก้าว ปมองขึ้นไปทางหลงังโอ้เห็นควยเท่าตัวหมูเนี่ยชงมาแล้วชงมาแล้วนะแต่ว่าเราไม่รู้่เราเดินขึ้นมาแล้วไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยเลยแต่ถ้าบางคนโหมไปไหมถึงไหนก็อ่าหมดแรงหรือฮะอ่อนอแอระมันโอ้ไหวไหมไหวไหมไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่ า, ลาใจก็กลัวกายก็เหนื่อยก็ยิ่งไม่ไหวเลย แต่ใจต้องไม่เป็นไรนะเหนื่อยมันก็ธรรมดาหายใจเดินไม่เหนื่อยมันก็ไม่ใช่หรอกแล้วเดินมันเหนื่อยมันก็ต้องการลมหายใจเข้าไปในออกซิเจนในร่างกายก็สุดน้อยใจด้วยความรู้สึกสบายไปเดินไปหายใจไปอย่าไปกัน้นอย่าไปแล้วปล่อยไปอ่าทางกายทั้งใจให้มันกลมกลืนกันไป การสร้างเจ้าวะการเดินจงกรมมันกลมกลืนกันไปยอดความรู้จึกตัวเข้าไปเสริมความรู้จึกตัวเข้าไปให้พอดีพอดีกับแรงของอดีตบทการเดินก็ดีการนั่งสร้างเจ้วะก็ดีการสร้างเจ้หวะก็เหมาะกับความให้ความรู้สึกเข้าไป โยนความรู้สึกเข้าไปพอดีพอดีให้แม่นแม่นนะอยู่ในบริบทใ้แต่ลมหายใจยกมือเคลื่อนไหวการเดินจงกลมนั่งอยู่เฉยเฉยนอนเฉยเฉยให้มันพอดีพอดีมันไม่ีความพอดีมันเป็นมักเป็นดูอยู่ดูอยู่เห็นอยู่รู้สึกตัวอยู่รู้สึกตัวอยู่อย่างนี้นะไม่มีอะไรที่จะชํานาญเข้าที่เข้าทาง เหมาะเจาะเท่ากับสติไปกับกายไปกับใจมันเหมาะที่สุดความรู้สึกตัวไปอยู่กับกายความรู้สึกตัวไปอยู่กับจิตใจเนี่ยถ้าเราหัดให้เขาพอเหมาะพอดีมันจะชอบกันมากๆ ม, มันไม่หลงเรื่องของกายก็ไม่หลงถูกต้องแล้วเรื่องของใจก็ไม่หลงถูกต้องแล้วมันสัมผัสสัมพันธ์กัน <c oughs> แต่ไม่สัมผัสสัมพันธ์กันดีก็แค่แกนแค่แกนไม่เข้ากันไม่ได้เหมือนผัวเมียหญิงสาวรักกันแต่งานกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ฮะมันไม่มีมิตรสัมพันธ์ที่ดีมิตรที่ดีสติกับกายสติกับใจ อะไรก็ตามต า, มตามเห็นโลูลสึกโูได้ยนเสียงโลสึกจมูกได้กินูลสึกลิกกลก้นได้ลดโลสึกกายสัมผัสโลสึกกิจใจมันคิสโลสึกโอ้ยม่มีอะไรที่จะดีไปเป่านี่หรอกถ้าไปกินดีไปกินไรไม่ใช่ไม่ใช่เลย <c oughs> ไม่ใช่เลยเจบ็บมันกระทบกระเทือนแต่ลูลสึกมันนิ่มมากๆสัมผัสไม่ลด เขาเรียกว่าลดพระธรรมสัพพะรสังธรรมรสโซสัพพะติงธรรมะติลดพัทธรรมย่อมชนะลดท่องพวงลดความรู้สึกตัวเนี่ยลดความหลงโอ้ยไม่ไหวหลับสันหัวถ้าเป็น อ, อาหารก็ไม่เอาแล้วช่อนหลังไม่เอาขอช่อนเดียวเท่านี้แหละคำเดียวเ ท, ท่านี้หละคำหลังไม่เอาอีกแล้ว มันสัมผัสดูแล้วสัมผัสกับความโกรธโอ้ไมดหน่อยไม่เอาอีกแล้วสัมผัสกับความโลภไม่เอาอีกแล้วสัมผัสกับความโล่งโอ้ไม่เอาอีกแล้ ว, ว, ลอ เ, ออลวเอาอะไรเอาเอาอันใหม่เลือกได้ปะเนี่ยเลือกได้มันเรากินข้าวอาหารแงๆอ่าก็เลือกเอาพอดีพอดีพอดีอด <c oughs> จนอิ่มได้เหมันกันไม่ต้องไปเอาอะไรทั่วๆไป อาหารอยู่ในถ้วยในชามเยอะแยมาอาหารที่่าติโยมชาวบ้านศรัทธ า, านำมาถวายใส่ภาชนะมาบางอย่างวางอย่างไม่แตะต้องเลยเพราะไม่ใช่ไปเอาตะพุชตะพื้นไม่จำเป็นมันก็ยังอิ่มมันก็ยังอยู่ได้ไปเอาเลยมากไปการปฏิบัติธรรมก็มังไม่ใช่ไป ยินดีไม่ใช่ไปยินร้ายไม่ใช่ไปสุขไม่ใช่ไปทุกข์ไม่ใช่ไปชอบไม่ใช่ไปไม่ชอบโอ้มันก็จุยกระจายเอาพอดีเนี่ยลูกจิตตัวเนี่ยมันจเจริญได้เหมือนกันเติบโตได้ผมอาจันเจริญในแบบนี้ลูกจิตตัวเนี่ยอาหารพรหมจันทร์ความโกรธความโลภความหลงความรักความชังความยินดียินร้ายไม่ใช่อาหารพรมจันท์มนันเป็นอาหารเป็ดใช่ไหมประการมันเป็นอาหารโกลมานใช ถ้าเอาดูที่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่คนกระสานแล้วไม่ใช่คนหมูแล้วถ้าไปรับอาหารแล้วละจะเป็นใครไปแล้วไม่โลกเหมือนกันต้องยืดรูดสุดตัวรูดสุกตัวเนี่ยรูดจุดตัวของรูดสุดตั ว, ตวเป็นอาหารพระเป็นอาหารพรมจันท์ชีวิตพมจันทร์เจริญแบบนี้ะดูดนมอะลยมักเนี่ยอะลีมักเนี่ยเป็นนมนะ น, นมโอโนชานะโลดสุดตัวโลดสุดตัวเนี่ยให้มันจเจริญทางตาก็โลดจุกตัวเ่ยทางหูก็โลดจุกตัวจมูกทิ่น์กายใจโลดจุดตัวะเป็นอาหารเน่ยเรียงชีวิตด้วยศีข้าและธรรมภิกขุนังศีข้าเ้าชีวัสมาปนาเรียนชีวิตด้วยศีข้าและธรรมเป็นเครื่องเรียนชีวิตของภิกษุทั้งหลาย เอกตก็คือเห็นผู้เห็นภยัยเห็นภัยอะไรลนะ่ะเห็นภัยคือความหลงเห็นภัยคือความโกรกเห็นภัยคือความโลภเห็นภัยคือความรักความชังเห็นภัยกิเลสตนะราคะเล่าหล่อนวิทยาพยาบาทนะั่นั้นมันเห็นภยัยมันก็เลยไม่เอารู้สึกตัวรู้จึกตัวเห็นความโง่หลงโง่มาเห็นความยึดมั่นถือมั่นอืมัมนไม่ภยัย ทำอยู่ดีๆเอ้าปันปขึ้นมาไปแล้วยินดีไปทางอื่นไม่พอใจที่จะสร้างสติพอใจที่จะ ป, ปะล่อยปละละเลยเล่นดีกว่าคุยกันดีกว่าเห็นมิดเห็นเผื่อนเอ้าเดินไปหากันจวนกันไปขึ้นมาขำป้อมช่วยกันจวนกันไปเดินไปเล่นนอนนองรูนอนคุยกันไปเอาไปแล้วเครึ่งวันเลยลืม ไม่พอใจที่จะมานั่งสร้างจังหวะกม็มีวันกันน ะ, อะชอบเล่นก็มีชอบอไม่ใช่การใช่การชอบเล่นเล่นปล่อยไปเป็นวันเป็นวันเหมือนคนเปรียดข้า น, นั่นแหะจับปานจับการไม่เป็นนี่ถ้าเราทำถูกแล้วโอ้อยู่ที่ไหนก็มีทางเดินจงกงมไปนั่งอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ไหนช่วงไหนก็มีทางเดินจังกลงอะ ในที่นั่งสร้างใงว่าพอดีพอดีช่วยโอกาสไม่มีไม่มีเวลาก็ช่วยโอกาสภายในตัวเองเราเช็ดตัวบางทีก็สงบขอพูดกันเราลืมไปลืมฟังไปเราลูยเึ็ตัวของเราอเราก็ทําไปไม่ใช่ง่ายนะบางทียแสวงหาไม่ได้พูดก็อยากจะพูดเวลามีโอกาสก็พูดเอาพูดเอา แต่ถ้าเรามีสติมีโอกาสก็ไโปโพดลูเอาลูเอามันก็ตรงมันก็ต่างกนันกลับกันนะปฏิบัตธิธรรมเนี่ยก็ต้องพอสมควรนะมกักปฏิบัติผู้ทีดถึงมักถึงผลว่าต้องพอสมควรใส่ใจพอสมควรรักพอสมควรรักการรักงานพอสมควรมล้วก็เราทํางานอาชีพต้องรักงานรักการพอสมควรมันจึงจะทํางานได้สําเร็จ จากการน้อ ย, อ, ยอ่าในความรักกานเอาไปมาก็เก้าหน้าไปเรื่อยๆอไปส่งหลวงปู่คำเสียงหลวงปู่คำเสียงเป็นครูที่แรกนะค่าเงินเดือนสิบสองบาทเงินเดือนสิบสองบาทนะเอาไปมาเลี่ยงลูกเลี่ยงครอบเรี่ยงโครัได้ลูกเป็นโคเป็นเลยหมดเงินเดือนสิบสองบาทรักกานรักงานทํางานไป เงินก็ไม่ค่อยได้ใช้สมัยก่อนไม่มีอะไรที่จะต้องซื้อเลแต่ของอยู่ของกินก็เต็มไปหมดตลาดสดก็อยู่ในป่าเจ็บเหตุเจ็บอะไรกันไม่อดไม่อยากข้าวก็อยู่ในยุ่งในขางอ่าปลาก็อยู่ในนาในน้ำไม่ปลาในนาไม่ข้าวได้ยังนไงนะสวันนี้นะี่แหละจำเป็นต้องปฏิบัติธรรมมากกว่า สมัยก่อนด้วยํำไปเพราะอะไรมันก็จะเป็นอันตรายอ่าถ้าเราไม่มีธรรมสมัยทั่วยอยู่กับโรคด้วยความยากลำบากถูกโรคทับถมได้ง่ายนะอันตรายแยะๆทุกวันนี่นะต้องเป็นยุคทองยุคธรรมล้วละทุกวันเนี่ยประมาทไม่ได้แล้วอ่าดูสอะไรๆก็มีแต่พิษภัยทั้งหมดแล้ว ในน้ำก็ไม่พัยไม่พิษในอากาศก็เป็นพิษในดินก็เป็นพิษในอาหารก็เป็นพิษอไม่แต่ในชีวิตเราก็ยังเป็นพิษต่อชีวิตเราคนเราจะมีความโลภความโกรธความหลงมากกว่าคนโบราณทวนนี่นะมีกิเลสตัณหามากกว่าคนโบรนาณอ่าได้ยินเด็กน้อยเขามาเล่นวัดเขาคุยกันัเรียนพอสองมีแฟนแล้วเขาบอกว่าลุงปู่ลุงปู่บัก หนักปักไม่พแพนเลยได้ ล, งล อ, ดองกู้เหรอ้าวไปได้อะแล้วอะไรไปจะเขียนดู่ด้วยกันะไะได้เหรอเด็กทกวันเนี้ะแต่ก่อนเนี่ยโอ๊ยหลวงพอ่อเนี่ยยังเล่นกับผู้หญิงไปโดดน้ำเขามีตู้มีน ม, นมโต ด, ดน้ําแล้วกันยอบล่อกันอ้าวมนก็ยังไม่ไปได้ทุกวันเนี้ยไปแบบนั้นไปได้ ข, ข่มคืนก็ไม่ค่อยมีใครสอนนะเพราะฉะนั้นคนทุกวักนนี่ยมันมีกิเลสหนาตันหามาก ในเราเนี่ยมันก็เป็นอย่างไงเราจะไป อ, อยู่ในสภาพแบบนั้นเลยมันไม่ถูกต้องต้องปฏิบัติธรรมกันแล้วแต่ก่อนไม่ปฏิบัติธรรมมันเป็นธรรมชาติมันปฏิบัติธรรมอยู่คนก็เย็นอยู่แล้วคนเราไม่ดูรลายันคนทุวันนี้อะไรก่อนนะวันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะเราต้องประมาทไม่ได้แล้วต้อง หาสิ่งที่คุ้มครองป้องกันให้เน็ตมาไม่ทำนะไม่ทมไม่ใช่ไปค่องพระค่องกระตุกกระถาอะไรไม่ใช่ฮนะอย่างที่เขาว่ามงคลอะไรทำดีดีกว่ามงคล สร้างกุศลที่กว่านั่งเข้าเครื่องรางของขังปุกเศกแสนสัมบัง้งขาดป่างแขนบ้างลงหลังที่ขาดบาดตัวหอยงกิเลสทำพงกิเลสเต็มพงอมงคนไร่คมได้ชื่อหามากองพลระลงพลังนอนตายกลายกองเครื่องรางธรรมะตัางหากเป็นเครื่องควบของเพราะเป็นตัวทำองค์กิง่ง มีทำแลยไม่มีใครยิงไม่มีทำผีสิงอ่าไม่มีใครยิงก็ตายเออไม่ทำเนี่ยมันดีกว่าไปแขนกระตุกคาถาไม่ไปกลัวอะไรไม่มีทำอะต้องมีรู้มีความรู้สึกตัวไม่มีหรอกที่จะมาทำอะไรเราให้เราโกรธเราโลภเราหลงได้เพราะเราไม่ทำอยู่ ถ้าเขาแขวนท่าไหนไม่มีป้องกันได้ไหมมาป้องกันไม่ได้ยิ่งกระโดดเข้าไปพะลุงเข่าหลังซื้อหามาภุมหมอนฟองแขวนก็ตุดลงหลังนอนกายตายเสื่องรางกองยเยอะแยะไปหมดเลยไม่มีทำและไม่เคยยิงเรายิ้มแย้มแจ่มใสเราไม่เบียดเบียนใครเราไปไหนเราไปทําความดีนะ นี่เราทำความดีวเรจะตายล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีความผิดอะไรอ้าวสัคขาก็ไห่จําเป็นไม่ต้องไว้ทุกข์ไว้ร้อนคนกลัวคนชั่วเขาต้องกลัวเขาทุกข์ร้อนพาคนดีจะไม่ทุกข์ไม่ร้อนจะตายก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ทำชั่วอะไรนะอันนี้ปฏิวัติธรรมเนี่ยในยุคนี้สมัยนี้นะถ้าขาดทำแล้วก็โอ้ลาบาก พวกเราจึงชวนกันชวนกันประกาศต่อไปฮะเมื่อวานก็มีโน่นญาติธรรมอินโดนีเซียญาติธรรมสิงคโปรญาติธรรมมาเลเซียหลวงพ่อ เ, เ, เคยไปสอนธรรมที่บ้านเขา<ม>เขามาสมุนวันโยมผู้หญิงนี่เขาให้บ้านหลวงพ่อไปพักเลยเราพาเขาไปบ้านหลายหลังอยู่มาเลเซียนี่กุลูปูลกูลลเปน โกโลลาลำเปิดถ้าเขาพูดกับโกโลโปโกโลโปโกโลโปเอ้อโกโลโปเลยเนาะที่แท้เปนกุลาลำเปิดหลวงพ่อไปพักที่บ้านเขาเขาให้บ้านพักไปอยู่ไปสอนทำเที่นั่นเขาบอกว่าเขาพิมพ์หนังสือหลวงพ่อห้าพันเล่มคลิปแพร่เท่นั้นเลยแล้วเขาเลยเอ้อน่าจะถือมาให้เราบ้างกันอาจจะส่งมาญาติที่ทำเขาปฏิบัติทำมีห้องสมุด เขาสร้างห้องสมุดขึ้นมามีลูกหลงพ่ออยู่นั่นมีลูกหลงพ่อเทียนมีลูกอาจารย์เพธาตุมีลูกหลงพ่อชามีลูกหลงพ่อปัญญาอนันตะเติดอยู่ห้องสมุดแผ่นใหญ่ๆเขาโอ้เขาก็รู้จากเราไม่รู้จากตัวเขาปฏิบัติธรรมเราก็อยู่ที่ไหนกันต้องปฏิบัติธรรมต้องเจริญสติอย่าให้มันขาดแขนเถิดตื่นขึ้นมาเอาเลยเอาเลยรู้สึกตัว อย่าไปเชื่อมเศร้าอย่าไปกระเตลกระตากโดยตรงไหาจับงานจับการนะทำพอเหมาะพอดีอย่าไปเครียดอย่าไปขึงอย่าไปบึงอย่าไปตึงอย่าไปอ่อนแอหยิมแยมแส้มใสททำได้ก็ไม่เป็นไรทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไว้ก่อนถ้าไม่เป็นไรไว้ก่อนทำง่ายง่ายถ้าไปแล้วโ่ากูจะเอาให้ได้กูจะเอาให้ได้โอ้ยยากยากมากนะ หัวคอดหัวเวียงอ่าถ้าไม่เป็นไรเนี่ยไม่เป็นไรจะพึ่งจะพือไปอา่าผิดก็ไม่เป็นไรทําถูกมาลงก็ไม่เป็นไรทําถูกเอาไมา้อ่าห้องเงาเป็ น, นงเงาไม่เป็นไรเอาลูกเอาไม้อ่าแก้ใหม่แก้ใหม่จะทําใหม่อยู่เรื่อยตั้งชีวิต ท, ที่จะดีต้องตั้งต้งตนใหม่อยู่เรื่อย้ำไม่ตั้งต้นใหม่มันไม่ดีครับตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่อย่าไปให้มันเก่า มันหลงก็ไปโจมอยู่กับความหลงมันทุกข์ก็ไปโจมอยู่กับความทุกข์ตั้งต้นใหม่ที่มันหลงก็เอาตั้งต้นใหม่ไม่หลงมันทุกข์ก็ตั้งต้นใหม่ไม่ทุกข์มันโกรธก็ตั้งต้นใหม่ไม่โกรธบางคนไปล่มอยู่กับความโกรธอยู่หลายวันไม่ลุกหนีจากความโกรธเอามาลุมน่ทับอยู่นั้นหละลุกไม่ขึ้นเขาว่าก็เล่าเขาว่ากันเลา เขาทำกับเราเขาทำกับเราโอ้มันล้มมันจมมันทำอยู่ลุกขึ้นมาไม่เป็นหไรไม่เป็นหลักช่างหัวมันช่างหัวมันเป็นแค่นั้นเองเป็นแค่นั้นเองในโลกมันแบบนั้นมันเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่เรามาศพคนเดียวเรามาอยู่กับโลกมันก็ต้องมีอย่างนี้เขาเกิดก่อนแล้วจะไปทุกทํำไมลุยได้เลยวะสู้จากตัวโลกจากตัวมันเพื่อให้เราลุยเหมือนนะมันต้องมีเลือดลุยนะ ในถนนต้องมีรถลุยถนนชีวิตเราต้องลุยเหมือนกันความทุกข์ทำให้เราสติต้องลุยบนความทุกข์ความโกรธต้องสติลุยบนความโกรธมันมีอะไรที่แก้กันอยู่ลุยอยู่นะเขาทามาแก้กันอยู่ชีวิตเราเหมือนกันในที่เกิดมนที่ดับในที่ผิดมนที่ถูกในที่ทุกมนที่ไม่ทุกลุยมันต่อ น, นั้น เป็นรวยๆสักหน่อยวีบากครักหน่อยสู้สักหน่อยโูดสึกตัวมันเป็นกีลาของพวกเราความโูดสึกตัวความโลดสึกตัวนะก็พูดกันทุกวันทุกวันหลวงพวกก่อก็ขอให้หลวงพ่อได้พูดอย่างไง น, นะคนพูกฟังไม่รู้จะเป็นยังไงแต่หลวงพ่อ ก, ก็ฟังหลวงพ่อเทียนก็โ อ, อ้ยยางไงนะนะเอาละเอาละพอสมควรใช้เวลาพวกเรากลับหะาข้อมกัน อระหังสัมมาสัมพุทธ佛菩萨菩萨万丈阿弥陀佛娑婆诃 a 哈娑 h 多哈摩哈嘛嘛萨苏菩提波那哈婆阿多哈瓦达当诃 Brahma, m o m h e r